4. จะตุ ก, กานิบาตหนึ่งพัตกาปิลานีเทรีคาถาภาษิตของพระพัตตกาปิลานีเทรีพระพัตตกาปิลานีเทรีดรวยกล่าวภาษิตเหล่านี้ว่าพระมหากัสปะเทระเป็นบุตรเป็นทายาทของพระพุทธเจ้ามีจิตตั้งมั่นดีแล้วท่านระลึกชาติได้ทั้งเห็นสวรรค์และอบายอันหนึ่งท่านถึงความสิ้นชาติ เป็นผู้เศรษกิจแล้วเพราะรู้ยิ่งเป็นมุนีเป็นพรามผู้ได้วิชาสามโดวยวิชาสามเหล่านี้พระพัตกาปิลานิเทรีก็ได้วิชาสามเหมือนพระมหากรสปะและมจุราชได้ชนะมารพร้อมทั้งเสนามารได้แล้วยังทรงร่างกายที่มีในภพสุดท้ายอยู่เราทั้งสองเห็นโทษทางโลกแล้วออกบวชฝึกฝนตนสิ้นอาสวะ เป็นผู้เย็นดับสนิทแล้วจะตุ ก, กานิบาทจบ 5. ปัญจา ก, กานิบาท 1. อัญญตราเทรีคาถาภาษิต ข, ของพระอัญญตราเทรี พระเทรีรูปหนึ่งได้กล่าวภาษิตเหล่านี้ว่าตั้งแต่เราบวชมาตลอด25าพันปายังไม่ประสบความสงบจิตแม้ช่วงเวลาเพียงลัดนิ้วมือเดียวเลยเราไม่ได้ความสงบจิตมีจิตชุ่มด้วยกลามราคะเดินประคองแขนคร่ำครวญเข้าไปสู่วิหารได้เข้าไปหาภิกษุณีผู้มีวาจาที่เชื่อถือได้ท่านได้แสดงธรรมคือขันธ์อายตนะและาธาตุแกเรา เราฟังธรรมของท่านแล้วเข้าไปนั่งณที่สมควรเราลึกชาติได้ชำระทิพยจักษุให้หมดจดแล้วเราชำระเจโตปริยญาณและโสตธาตุให้หมดจดแล้วแมริทเราก็ทําให้แจ้งแล้วทมเป็นที่สิ้นอาสวะเราก็บรรลุแล้วอาพิญญาหกเราก็ทาให้แจ้งแล้วเราได้ทาตามคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว 2. วิมาลาเทรีคาถาภาษิตของพระวิมาลาเทรีพระวิมาลาเทรีผู้เคยเป็นหญิงคณิกาได้กล่าวภาษิตเหล่านี้ว่าเรามัวเมาด้วยผิวพรรณรูปสมบัติความสวยงามบริวารยศและเป็นผู้มีจิตกระด้างอย่างยิ่งด้วยความเป็นสาวดูวมินหญิงอื่นประดับร่างกายนี้ให้วิจิตงดงามสำหรับลวงชายโง่ ได้ยืนอยู่ที่ประตูเรือนหญิงแพรสยาดุดในพรานเนื้อวางบ่วงดักเนื้อไว้เราอวดเครื่องประดับต่างๆเป็นอันมากและอวดอวัยวะที่ควรปกปิดให้ปรากฏกระซิกระซิได้ทำมายาหลายอย่างให้ชายจํานวนมากลุ่มหลงวันนี้เรานั้นปลงผมห่ผมผ้าสังคาติบวอดเที่ยวบินธบาศแล้วมานั่งอยู่ที่โคนต้นไม้ได้ฌานที่ไม่มีวิตก ได้ตัดกิเลสเป็นเหตุเกาะเกี่ยวทั้งที่เป็นของทิพย์และของมนุษย์ได้ทั้งหมดทําอาสวะทั้งปวงให้สิ้นไปเป็นผู้เย็นดับสนิทแล้ว 3. สีหาเทรีคาถาภาษิตของพระสีหาเทรีพระสีหาเทรีเรียกล่าวพาษิทเหล่านี้ว่าเมื่อก่อนเราได้ถูกกามราคะเบียดเบียนมีจิตฟุ้งซ่านบังคับจิตให้อยู่ในอานาจไม่ได้ เพราะไม่ทำไว้ในใจโดยแยบคายถูกกิเลสกลุ่มรุมมาเข้าใจกามว่าสวยงามตกอยู่ในอำนาจราคะจึงไม่ได้ความสงบจิตผอมเหลืองและมีผิวพรรณไม่ผ่องใสประพฤติพรหมจรรย์อยู่เจ็ดปีมีแต่ทุกข์ไม่ได้ความสุขทั้งกลางวันและกลางคืนเพราะเหตุนั้นเราจึงถือเชือกเข้าไปสู่รา่าด้วยคิดว่าจะผูกคอตายเสียในที่นี้ ดีกว่าที่จะกลับไปเป็นครหัสอีกจึงทำบ่วงให้มั่นผูกที่กิ่งไม้แล้วสวมบ่วงที่คอทันใดนั้นจิตของเราก็หลุดพ้นจากกิเลส 5. สุนทรีนันทาเถรีคาถาภาษิตของพระสุนทรีนันทาเทรีพระาศาสดาเมื่อจะทรงแสดงธรรมให้เหมาะแก่พระสุนทรีนันทาเทรีจึงได้ตรัสพระพุทธภาษิตเหล่านี้ว่า นันทาเธอจงพิจารณาดูร่างกายซึ่งกระสับกระสายไม่สะอาดเป็นของเปื่อยเน่าจงอบรมจิตให้ตั้งมั่นดีมีอารมณ์เดียวด้วยอสุภะภาวนาร่างกายหญิงที่เนรมิตขึ้นนี้ฉันใดร่างกายของเธอนั่นก็ฉันนั้นร่างกายของเธอนั่นฉันใดร่างกายหญิงที่เนรมิตขึ้นนี้ก็ฉันนั้นร่างกายเป็นของเปื่อยเน่ามีกลิ่นเหม็นฟุ้งไป ที่พวกคนเขลาเพลิดเพลินกันยิ่งนักเมื่อเธอพิจารณาร่างกายนั้นอย่างนี้ไม่เกียจคร้านทั้งกลางวันและกลางคืนแต่นั้นจะเห็นแจ้งด้วยปัญญาของตนเองได้พระสุนทรีเถรีบรรลุพระอรหันต์แล้วได้กล่าวภาษิตเหล่านี้ว่าเมื่อเรานั้นไม่ประมาทค้นคว้าอยู่โดยแยบคายได้เห็นร่างกายนี้ทั้งภายในและภายนอกตามความเป็นจริง ทีนั้นเราจึงเบื่อหน่ายในร่างกายและคลายความกำหนัดในภายในไม่ประมาทไม่กอกเหี่ยวในสิ่งอะไรอะไรเป็นผู้สงบประ ง, งับดับสนิทแล้วหนันทุตตราเทเรคาถาภาสิตของพระนันทุตตราเถรีพระนันทุตตราเถเรได้กล่าวภาษิตเหล่านี้ว่าเราบูชาไฟไหว้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และเทวดา ไปยังท่าน้ำแล้วลงดำน้ำสมาทานวัดมากมายโคนศีสะครึ่งหนึ่งนอนบนแผ่นดินไม่บริโภคอาหารในเวลากลางคืนแต่ยังยินดีการประดับตกแต่งบำรุงร่างกายนี้ด้วยการอาบน้ำและขัดสีถูกการมาราคะครอบงามแล้วต่อมาได้ศรัทธาบวดเป็นบนรรพชิตเห็นร่างกายตามความเป็นจริงจึงถอนการมาราคะได้ตัดภพ ความอยากและความปรารถนาได้ทั้งหมดไม่เกาะเกี่ยวด้วยกิเลสเครื่องผูกทุกอย่างบรรลุความสงบใจแล้ว 6. มิตากาลีเถรีคาถาภาษิตของพระมิตากาลีเทรีพระมิตากาลีเทรีได้กล่าวภาษิตเหล่านี้ว่าเราออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิตด้วยศรัทธาแต่เป็นผู้ขนควายในลาบสักร ะ, ระที่ยวไปด้วยเหตุนั้นๆ ละทิ้งประโยชน์ที่ยอดเยี่ยมถือเอาประโยชน์ที่เลวตกอยู่ในอำนาจของกิเลสไม่ยินดีประโยชน์ของความเป็นสมณะเมื่อเรานั้นนั่งในที่อยู่ได้เกิดความสังเวชว่าเราเดินทางผิดเสียแล้วตกอยู่ในอำนาจของตันหาชีวิตของเราน้อยชาราและพยาธิย่ำยีร่างกายนี้จะแตกสลายไปเสียก่อนไม่ใช่เวลาที่เราจะประมาท เมื่อเราพิจารณาถึงความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปของขันทั้งหลายตามความเป็นจริงจึงได้ดำรงอยู่อย่างผู้มีจิตหลุดพ้นเราได้ทำตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว 7. สกุลาเทรีกาถาภาษิตของพระสะกุลาเทรีพระสะกุลาเทรีได้กล่าวภาษิตเหล่านี้ว่าเมื่อเรายังอยู่ในเรือนฟังธรรมของภิกษุแล้ว ได้เห็นนิพพานซึ่งเป็นธรรมปราศจากกิเลสดุทุลีเป็นทางถึงความสุขไม่จุติเรานั้นละบุท ธ, ธิดารัพย์และเข้าเปลือกโกนผมแล้วบวชเป็นบนรรพชิตเป็นศิกขานาอยู่เจริญมักเบื้องสูงจึงละราคะโทสะและอาสวะทั้งหลายที่ประกอบด้วยราคะและโทสะนั้นได้กุปสมบทเป็นภิกษุณีแล้วระลึกชาติก่อนได้ ชัระทิพยจักษุที่อบรมแล้วอย่างดีให้หมดมนทินได้เห็นสังขารทั้งหลายเป็นอนัตตาอันเกิดแต่เหตุมีสภาวะสุดโทมโดยความเป็นอนัตตาแล้วและอาสวะทั้งปวงได้จึงเป็นผู้เย็นดับสนิทแล้ว 8. โสนาเทรีคาถาภาษิตของพระโสนาเทรีพระโสนาเทรีได้กล่าวภาษิตเหล่านี้ว่า ในเรือนร่างคือรูปนี้เราเคลอดบุตรสิบคนเพราะเหตุนั้นจึงซุดโซมแก่ไปได้เข้าไปหาภิกษุณีภิกษุณีนั้นแสดงธรรมคือขันธ์อายตนะและาธาตุแก่เราเราฟังธรรมของท่านแล้วก็โกนผมบวเมื่อเราศึกษาอยู่ก็ชำระทิพยจักสุให้หมดจดระลึกถึงชาติก่อนที่เราเคยอยู่อาศัยมาและเจริญอนิมิตะสมาธิมีจิตตั้งมั่นดี มีอารมณ์เดียวมีวิโมกข์เกิดขึ้นในลำดับไม่ยึดมั่นดับสนิทแล้วขันห้าที่เรากำหนดรู้แล้วมีรากอันขาดแล้วคงอยู่สิ่งที่ยังคงอยู่ก็คงมีอยู่ในกายที่คล่ำคล่าเร็วซามบัดนี้ไม่มีการเกิดอีก 9. พัธากุลทนเกสาเทรีคาถาภาษิตของพระพัธากุลทนเกสาเทรี พระภัทาคุณทนเกสาเทรีเร้ยกล่าวภาษิตเหล่านี้ว่าเมื่อก่อนเราถอนผมอมขี้ฟันมีผ้าผืนเดียวเที่ยวไปสำคัญในสิ่งที่ไม่มีโทษว่ามีโทษและเห็นในสิ่งที่มีโทษว่าไม่มีโทษเราจากที่พักกลางวันบนภูเขาขิจกูดได้เห็นพระพุทธเจ้าผู้ปราศจากกิเลสแวดล้อมด้วยหมู่ภิกษุจึงคุกเข่าวถวายบังคมทาอัญชลีเบื้องพระพัก พระองค์ได้ตรัสว่ามาเถิดพัทธาพระดํารัสนั้นทำให้เราได้อุปสมบทแล้วเมื่อก่อนเราบริโภคค้อนข้าวของชาวแว่นแคว้นอย่างเป็นหนี้จะริไปทั่วแคว้นอังคะมะคตวชัชีกาศีและโกศลตั้งแต่พบพระาศาสดาเราบริโภคค้อนข้าวของชาวแว่นแคว้นอย่างไม่เป็นหนี้มาห้าสิบปีแล้ว ก็อุบาสกที่ได้ถวายชีวรแก่เราผู้ชื่อว่าพัท ธ, ธาซึ่งพ้นจากกิเลสที่ร้อยรัตทุกอย่างเป็นคนมีปัญญาได้ประสบบุญเป็นอันมาก 10. ปตาจาราเทรีคถาภาษิตของพระประตาจาราเทรีพระประตาจาราเทรีเรียกล่าวภาษิตเหล่านี้ว่ามานพทั้งหลายใช้ไถไถนาหวานมเมล็ดพืชลงบนแผ่นดิน ได้รั์มาเลี้ยงดูบตรและพันยาเรามีศีลสมบูรณ์ทำตามคำสั่งสอนของพระศ า, าสดาไม่เกียดคร้านไม่ฟุ้งซ่านฉะไหนจะไม่บรรลุนิพพานเล่าเราล้างเทา้าเห็นน้ำล้างเทา้าไหลจากที่ดอนมาสู่ที่ลุ่มใส่ใจนิมิตในน้ำแต่นั้นเราตั้งใจไว้มั่นคงดุดม้าอาชาในที่ดีลำดับนั้นถือประทีปเข้าไปยังวิหาร ตรวจดูที่นอนขึ้นนั่งบนเตียงต่อแต่นั้นถือลูกดานปิดประตูลงกรอนหมุนไส้ประทีปลงความหลุดพ้นทางใจก็ได้มีเหมือนประทีปติดโพรงแล้วดับลง 11. ติงสะมัตตาเทรีคาถาภาสิทของพระติงสะมัตตาเทรีทราบว่าพระเทรีประมาณส0สิบรูปนี้ ได้พยากรณ์อารัตพลในสำนักพระประตาจาราเถรีอย่างนี้ว่ามานบทั้งหลายถือสากดตำข้าวได้ซับมาเลี้ยงดูบุตรและพันยาท่านทั้งหลายจงทําตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่บุคคลกระทําแล้วไม่เดือดร้อนในภายหลังจงรีบล้างเท้าแล้วนั่งณที่สมควรเถิดจงประกอบความสงบใจเนืองๆกระทาตามคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเถิด ภิษุณีเหล่านั้นฟังคำสอนของปตาจาราเถรีนั้นแล้วล้างเท้าเข้าไปนั่งณที่สมควรได้ประกอบความสงบใจเนืองๆกระทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าในปฐมยามแห่งราตรีพากนระลึกชาติก่อนได้ในมชิมยามแห่งราตรีชำระทิพยจักสุให้หมดจดได้ในปชิมยามแห่งราตรีทำลายกองแห่งความมืดได้ พิสุนีเหล่านั้นพากันลุกขึ้นกราบท้าพระเทรีพร้อมกับกล่าวว่าพวกเราทำตามคำสอนของท่านแล้วจะอยู่แวดล้อมท่านเหมือนเทวดาชั้นเดวดดงแวดล้อมเท้าสักกะผู้ชนะในสงครามพวกเราได้บรรลุวิชาสามแล้วเป็นผู้ไม่มีอาสะวะ 12. จันทาเทรีคาถาพาสิทธิของพระจันทาเทรี พระจันทาเทรีได้กล่าวภาษิตเหล่านี้ว่าเมื่อก่อนเราเป็นคนเข็นใจและเป็นหญิงไม้ไม่มีบุตรปราศจากญาติมิตรไม่ได้ความบริบูรณ์ด้วยอาหารและผ้าถือภาชนะและไม้เท้าเที่ยวขอทานจากตระกูลหนึ่งไปยังตระกูลหนึ่งถูกความหนาวและความร้อนเบียดเบียนเที่ยวขอทานอยู่ถึงเจปีต่อมาภายหลังได้พบปตาจาราภิกษุณี ผู้ได้ข้าวและน้ำอยู่เป็นประจำจึงเข้าไปขอบวชเป็นบันะชิตและพระปตาจาราภิกษุนีนั้นก็ได้กรุณาบวชให้เราต่อมาท่านก็สั่งสอนเราให้ประกอบในประโยชน์อย่างยิ่งเราฟังคำของท่านแล้วได้ทำตามคำสอนโอวาทของพระแม่เจ้าไม่เป็นโมคะเราได้บรรลุวิชาสามแล้วเป็นผู้ไม่มีอาสวะปัญจกนิบาศจบ ชักกันนิบาศหนึ่งปัญจสตมตาเถรีคาถาภาษิตของพระปัญจสตมตาเถรีพระปตาจาราเถรีกล่าวอบรมพระเถรีห้าร้อยรูปทีละรูปว่าท่านไม่รู้ทางของสัตว์ใดผู้มาแล้วหรือไปแล้วเหตุไหนท่านจึงร้องไห้ถึงสัตว์ที่มาแล้วนั้นว่าบุตรของเรา ถึงท่านจะรู้ทางของเขาผู้มาแล้วหรือไปแล้วก็ไม่ควรเศร้าโศกถึงเขาเลยเพราะว่าสัตว์ทั้งหลายย่อมมีอย่างนี้เป็นธรรมดาสัตว์ผู้ใครๆไม่ได้เชื้อเชิญก็มาจากปรโลกนั้นใครๆยังไม่ได้อนุญาตก็ไปจากโลกนี้เขามาจากที่ไหนกันแน่นอนอยู่ได้สองถึงสามวันแล้วก็ไปจากภพนี้สู่ภพอื่นก็มี จากภพนั้นไปสู่ภพอื่นก็มีเขาละไปแล้วจะท่องเที่ยวไปโดยรูปร่างของมนุษย์เขามาอย่างใดก็ไปอย่างนั้นในเพราะเหตุนั้นจะร่ำให้ไปทำไมพระเทรีประมาณห0 0รอรูปกล่าวทีละรูปเรื่องพาสิทธเหล่านี้ว่าท่านได้บรรเทาความโศกถึงบุตรของดิฉันซึ่งถูกความโศกครอบงำนับว่าได้ช่วยถอนลูกศรคือความโศกที่เห็นได้ยาก ซึ่งเสียบที่หาไทยของดิฉันขึ้นแล้วหนอวันนี้ดิฉันช่วยถอนลูกศรคือความโศกขึ้นได้แล้วหายอยากดับสนิทแล้วขอถึงพระมุนีพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึก 2. วาสิธิเทรีคาถาภาษิตของพระวาสิธิเทรีพระวาสิธิเทรีได้กล่าวภาษิตเหล่านี้ว่า เรากระทบกระเทือนใจเพราะความเศร้าโศกถึงบุตรมีจิตฟุ้งซ่านไม่รู้สึกตัวเปลือยกายและมีผมรุงรังเที่ยวร้องไห้ไปตามที่ต่างๆได้เที่ยวไปตามถนนกองขยะในป่าช้าในตรอกใหญ่ตรอกน้อยกำลังเสด็จไปยังกรุงมิถิลากลับได้สติแล้วเข้าไปถวายบังคมพระโคดมพระองค์นั้นได้ทรงพระกรุณาแสดงทําโปรดเรา เราฟังธรรมของพระองค์แล้วบวชเป็นบรรพชิตเพียงพยายามในคำสอนของพระศาสดาได้ทำให้แจ้งซึ่งบทธรรมอันปลอดโปรง่งถอนและละความโศกทั้งหมดได้แล้วเพราะเรากาหนดรู้วัตถคุคืออุปทานขันห้าซึ่งเป็นเหตุเกิดแห่งความโศกทั้งหลายได้ 3. าเขมาเทรีคถาภาษิ์ของพระเขมาเทรี มานใจบาปเมื่อจะประเลาประโลมพระเถรีด้วยการมาคุณจึงได้กล่าวภาษิดนี้ว่าเธอยังเป็นสาวมีรูปสวยถึงเราก็ยังหนุ่มรุ่นมาสิเขมาเรามาร่วมอภิรมกันด้วยดนตรีเครื่องห้าเถิดพระเขมาเถรีเมื่อจะประกาศความไม่ยินดีของตนจึงได้กล่าวภาษิดเหล่านี้ว่าเราอึดอัดเอือมระอาด้วยกายที่เปื่อยเน่ากระสับกระสาย ซึมีอันจะแตกพังไปเป็นธรรมดานี้อยู่เราถอนกามตัญหาได้แล้วกามทั้งหลายเปรียบด้วยหอกและหลาวเป็นเขียงรองจับขันทั้งหลายบัดนี้เราไม่มีความยินดีในกรรมที่ท่านพูดถึงเรากําจัดความเพลิดเพลินในกรรมทั้งปวงได้แล้วทําลายกองความมืดได้แล้วมารผู้ชั่วช้าเหลวซามท่านจงรู้อย่างนี้ท่านถูกเรากําจัดแล้ว พวกคนเขาไม่รู้ตามความเป็นจริงพากันนอบน้อมดวงดาวทั้งหลายบูชาไฟอยู่ในป่าแล้วได้สำคัญว่าบริสุทธิ์ส่วนเราแลนอบน้อมเฉพาะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นบุรุษสูงสุดจึงพ้นจากทุกทั้งปวงชื่อว่าทำตามคำสั่งสอนของพระศ า, าสดา 4. สุชาตาเถรีขถาภาษิตของพระสุชาดาเถรี พระสุชาดาเทรีได้กล่าวภาษิตเหล่านี้ด้วยการเปล่งอุทานว่าเราแต่งตัวนุ่งห่มผ้าอย่างดีสวมมาลัยรูปไล้ด้วยจุนแก่นจันทรประดับด้วยอาพรทุกอย่างมีหมู่สาวใช้แวดล้อมใช้หมู่สาวใช้ให้ถือข้าวน้ำของเคี้ยวและของบริโภคมิใช่น้อยนำออกจากเรือนไปยังอุทยานรื่นรมสนุกสนานในอุทยานนั้นแล้วขณะเดินกลับเรือนตน แวะเข้าไปใ น, นป่าอันชันใกล้เมืองสาเกตเพื่อชมวิหารได้พบพระพุทธเจ้าผู้เป็นแสงสว่างของโลกแล้วเข้าไปเฝ้าถวายอภิวาทพระองค์ผู้มีพระจักสุได้ทรงพระกรุณาแสดงธรรมโปรดเราและเราได้ฟังธรรมเทศนาของพระองค์ผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่แล้วก็ได้รู้แจ้งชัดสัจจะได้สัมผัสธรรมคืออมะตะบทซึ่งปราศจากกิเลสดุทลีในที่นั้นนั่นเอง ต่อแต่นั้นได้รู้แจ้งพระสัตยธรรมแล้วบวชเป็นบนรรพชิตได้บรรลุวิชาสามแล้วคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไม่เปล่าประหลาดจะประโยชน์เลย 5. ้าอโนปมาเทรีคาถาภาษิตของพระอนโนปมาเทรีพระอนโนปมาเทรีได้กล่าวภาษิตเหล่านี้ด้วยการเปล่งอุทานว่าเราเกิดในตระกูลสูงมีสิ่งของคลื่นปลื้มใจมาก มีทรัพย์มากสมบูรณ์ด้วยผิวพันธสันถานและรูปร่างเป็นธิดาซึ่งเป็นลูกแท้ๆของเมคีเศรษฐีเป็นผู้ที่พระราชโอรสปรารถนาบุตรเศรษฐีหมายปองพากันส่งทูตไปขอต่อบิดาของเราว่าขอจงให้อโนปมากแก่เราอโนปมาธิดาของท่านนั้นมีค่าตัวเท่าใดเราจะให้เงินและทองเป็นแปดเท่าต่อค่าตัวนั้น เรานั้นได้พบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ประเสริฐที่สุดในโลกไม่มีผู้อื่นยิ่งไปกว่าแล้วเข้าไปเฝ้าณที่สมควรได้ถวายอภิวาทพระยุคลบาตของพระองค์พระโคดมพระองค์นั้นได้ทรงพระกรุณาแสดงธรรมโปรดเราเรานั่งอยู่ณอาสนะนั้นก็ได้บรรลุผลที่สามครั้นแล้วก็กลนผมบวชเป็นบรรพชิตวันนี้เป็นคืนที่เจ็ด นับแต่วันที่เราทำตันหาให้แห้งสนิทแล้ว 6. มหาปชาปฏิโคตมีเถเรคาถาภาษิตของพระมหาปชาบดีโคตมีเถรีพระมหาปชาบดีโคตมีเถรีประสงค์จะสะดุ ด, ดีพระคุณพระศาสดาจึงได้ ก, กล่าวภาษิตเหล่านี้ว่าพระพุทธเจ้าผู้ทรงแ ก, กล้าสูงสุดกว่าสัตว์ทั้งปวงหม่อมฉันขอนอบน้อมพระพุทธองค์ ผู้ทงช่วยปลบปลื้มหมอมฉันและชนอื่นเป็นจนํานวนมากให้พ้นจากทุกข์หมอมฉันกําหนดรู้ทุกทั้งปวงแล้วทําตันหาซึ่งเป็นเหตุแห่งทุกข์ให้เหือดแห้งแล้วได้เจริญมรรคซึ่งประกอบด้วยองค์แปดและได้บรรลุนิโรธแล้วชวนทั้งหลายเป็นมารดาบิดาเป็นบุตรธิดาเป็นพี่น้องเป็นปู่ย่าตายายกันมาในชาติกรรรมหมอมฉันไม่รู้ตามความเป็นจริง ไม่พบที่พึ่งจริงท่องเที่ยวไปเพราะหม่อมฉันได้พบพระผู้มีพระภาค พ, พระองค์นั้นแล้วร่างกายนี้เป็นร่างกายที่มีในพบสุดท้ายการเวียนว่ายตายเกิดสิ้นไปแล้วบัดนี้ไม่มีการเกิดอีกขอพระองค์โปรดทอดพระเนรพระสาวกทั้งหลายผู้บำเพ็ญเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวมีความบากบันมั่นคงเป็นนิดพร้อมเพียงกันการกระทาโล ก, กุตระธรรมให้ประจักษ์แก่ตนนี้ นับว่าเป็นการประกาศพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระพุทธสาวกพระนางเจ้ามหามายาเทวีประสูติพระโคโดมมาเพื่อประโยชน์แก่ชนเป็นอันมากเนอเพราะพระองค์ได้ทรงบรรเทากองทุก ข, ของสัตว์ทั้งหลายที่ยังถูกพญาธิและมรณะทิ่มแทงแล้ว 7. คุตตาเถรีคาถาภาษิตของพระคุตาเทรี พระผู้มีพระภาคเมื่อจะทรงอนุเคราะห์พระคุตตาเถรีได้ตรัสพระคทถาเหล่านี้ว่าคุตตาการละบุตรและสมบัติอันเป็นที่รักออกบวชเพื่อประโยชน์แก่นิพพานใดเธอจงพ่อพูนนิพพานนั้นหนึ่งเนืองเถดิดอย่าตกอยู่ในอำนาจจิตสัตว์ทั้งหลายผู้ยังไม่รู้แจ้งถูกจิตลวงแล้วยินดีในสิ่งที่เป็นวิสัยของมารย่อมพากันท่องเที่ยวไปสู่ชาติสงสารมิใช่น้อย ภิกษุณีเธอละสังโยชน์เบื้องต่ำห้าอย่างนี้คือสักกายทิฐิวิจิกิจชาสีลพตปรามาต a กามราคะปฏิคะให้ขาดแล้วอย่าได้กลับมาสู่กามภพนี้อีกเธอละเว้นรู ป, ปราคะอารู ป, ปราคะมานะอุทจจะอวิชชาตัดสังโยชน์ทั้งหลายแล้วจะทำที่สุดทุกข์ได้ทำชาติสงสารให้สิ้นไปแล้วกาหนดรู้ภพใหญ่ หมดความทยานยากจะเป็นผู้สงบระ ง, งับอยู่ในปัจจุบัน 8. วิชยาเถรีคาถาภาษิตของพระวิชยาเถรีพระวิชยาเถรีได้กล่าวภาษิตเหล่านี้ด้วยการเปล่งอุทานว่าเราบังคับจิตให้อยู่ในอำนาจไม่ได้จึงไม่ได้ความสงบใจต้องเข้าออกจากที่อยู่ถึงสถึงหครั้งจึงเข้าไปหาพระเขมาภิกษุณี ไต่ถามโดยเคารพท่านแสดงธรรมโปรดเราคือธาตุอยตนะอริยสัตว์ส 4, อินรี่ห้าพละห้าโพชฌงเจและมัคมีองค์8เพื่อบรรลุประโยชน์อันสูงสุดเราฟังคำของท่านแล้วได้ปฏิบัติตามที่ท่านพร่ำสอนในปฐมยามแห่งราตรีก็ระลึกชาติก่อนได้ในมนชิมยามแห่งราตรีก็ชำระทิพยจักสุให้หมดจดได้ ในปัชิมยามแห่งราตรีทำลายกองแห่งความมืดได้ในการนั้นเรามีความสุขซึ่งเกิดแต่ปิติแผ่ไปทั่วร่างกายอยู่ในวันที่เจ็ดก็ได้ทำลายกองแห่งความมืดได้แล้วจึงเหยียดเท้าออกชักกนิบาทจบ สัตตกนิบาตหนึ่งอุตตราเถรีคาถาภาษิตของพระอุตราเทรีพระประตาจาราเถรีได้กล่าวภาษิตเหล่านี้ว่ามานพทั้งหลายถือสากตรำข้าวได้ทรัพย์มาเลี้ยงดูบุตรและพัญญาท่านทั้งหลายจงภาพเพียในคําสอนของพระพุทธเจ้าที่กระทําแล้วไม่เดือดร้อนในภายหลังจงรีบล้างเท้าแล้วนั่งณที่สมควร จงตั้งจิตให้แน่วแน่มีอารมณ์เดียวแล้วพิจารณาสังขารทั้งหลายโดยความเป็นของแปรปรวนและโดยความเป็นของไม่ใช่ของตนพระอุตตราเถรีได้กล่าวภาษิตเหล่านี้ว่าเราฟังคําพร่ำสอนของพระประตาจาราเทรีนั้นแล้วล้างเท้าเข้าไปนั่งณที่สมควรในปฐมยามแห่งราตรีเราลึกชาติก่อนได้แล้ว ในปชิมยามแห่งราตรีชั่ระทิพยะจักขู่ให้หมดจดได้ในปนชิมยามแห่งราตรีทำลายกองแห่งความมืดได้แล้วได้บรรลุวิชาสามจึงลุกจากอาสนะในภายหลังได้ทำตามคำสอนของท่านแล้วจะอยู่แวดล้อมท่านเหมือนเทวดาชั้นเดวดึงแวดล้อมเท้าสักกะผู้ไม่แพ้ในสงครามเราได้บรรลุวิชาสามเป็นผู้ไม่มีอาสวะส จาราเทรีคาถาภาษิตของพระจาราเถรีพระจาลาเทรีเมื่อจะกล่าวภาสิต ท, ที่มานกล่าวแก่ตนจึงได้กล่าวภาษิตเหล่านี้ว่าเราเป็นภิกษุณีอบรมอินทรีย์แล้วตั้งสติไว้มั่นรู้แจ้งบทอันสงบเป็นเหตุเข้าไปสงบระ ง, งับสังขารเป็นสุขมานถามว่าท่านมีศรีรษะโลน้นบวชเจาะจงใครหนอวางตัวเหมือนสมณะ ท่านไม่ชอบใจลทัทธิเดรธีทำไมยังมางมงายประพฤติทางผิดนี้อยู่เล่าพระจาราเทเรตอบว่าเราชนที่ถือลทัทธิเดรธีนอกจากศาสนานี้ยึดมั่นทิฐิทั้งหลายไม่รู้แจ้งธรรมไม่ฉลาดในธรรมส่วนพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติในตระกูลสากยะไม่มีผู้ใดปรียบรานพระองค์ได้ทรงแสดงธรรมโปรดเราอันเป็นอุบายล่วงเสียซึ่งทิฐิทั้งหลาย คือทุกข์เหตุให้เกิดทุกขความดับทุกข์และอารียมามัคมีองค์8ซึ่งเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์เราฟังคําสอนของพระองค์แล้วยินดีอยู่ในคําสอนได้บรรลุวิชาสามได้ทําตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเรากําจัดความเพลิดเพลินในกวามทั้งปวงได้แล้วทําลายกองแห่งความมืดได้แล้วมารผู้ชั่วช้าเลวสามท่านจงรู้อย่างนี้ว่า ท่านถูกเรากำจัดแล้ว 3. อุปจาราเทเรคาถาภาษิตของพระอุปจาราเทรีพระอุปจาราเทรีเมื่อจะกล่าวภาสิต ท, ที่มานกล่าวแก่ตนจึงได้กล่าวภาษิตเหล่านี้ว่าเราเป็นภิกษุณีมีสติมีจักสุอบรมอินทรีย์แล้วรู้แจ้งบทอันสงบซึ่งอุดมบุรุษคบหาแล้วมานถามว่า ทำไมแม่นางจึงไม่ชอบใจความเกิดเพราะธรรมดาผู้เกิดมาแล้วย่อมบริโภคกา ร, รมทั้งหลายเชิญแม่นางบริโภคความยินดีในกรรมทั้งหลายเถิดแม่นางอย่าได้มีความเดือดร้อนในภายหลังเลยพระอุปจาราเถรีตอบว่าผู้เกิดมาแล้วจะต้องตายจะต้องถูกตัดมือตัดเท้าถูกฆ่าถูกจองจำเกิดมาแล้วจาต้องประสบทุกข์ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสเสด็จอุบัติในตระกูลสากยะผู้ทรงชนะแล้วทรงพระชนชีพอยู่พระองค์ได้ทรงแสดงธรรมโปรดเราอันเป็นอุบายล่วงเสียซึ่งชาติคือทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ความดับทุกข์และอารีมักมีองค์แปดซึ่งเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์เราได้ฟังคาสอนของพระองค์แล้วยินดีอยู่ในคาสอนได้บรรลุวิชาสาม ได้ทำตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วกำจัดความเพลิดเพลินในกามทั้งปวงได้แล้วทำลายกองแห่งความมืดได้แล้วมารผู้ชั่วช้าเหลวซามท่านจงรู้อย่างนี้ว่าท่านถูกเรากำจัดแล้วสตกากนิบาทจบ 8. อัตกานิบาทหนึ่งสีสูปจาราเทเรคาถาภาษิตของพระสีสูปจาราเทรี พระศรีสูประจาราเทรีเมื่อจะกล่าวภาสิต ท, ที่มานกล่าวแก่ตนจึงได้กล่าวภาสิตเหล่านี้ว่าภิกษุณีผู้มีศีลสมบูรณ์สมรวมอินทรีย์แล้วบรรลุบทอันสงบที่ใครทำให้เสียหายไม่ได้มีสภาวะชื่นใจมานถามว่าแม่นางจงตั้งจิตปรารถนาไว้ในหมู่เทพชั้นเดวดึงชั้นยามาชั้นดุสิตชั้นนิมมานรดี และชั้นปรนิมมิตวัสวัตดีที่แม่นางเคยอยู่มาแล้วแต่ก่อนเถิดพระศีสูปจาลาเทรีตอบว่า mm hmm. เทวดาชั้นดาวดึงชั้นยามาชั้นดุสิตชั้นนิมมานรดีและชั้นปรานิ ม, มิตวัสวัตดีพากันไปจากพบสู่พบตลอดการติดอยู่ในกายตนล่วงกายของตนไปไม่ได้ก็แล่นไปหาชาติและมรณะโลกทั้งปวงถูกไฟไหม้ ลุกโรงโชดช่วงวันไหวแล้วพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมที่ไม่วันไหวช่างไม่ได้ปุถุชนเสพไม่ได้โปรดเราใจของเรายินดีนักในธรรมนั้นเราฟังคำสอนของพระองค์แล้วยินดีอยู่ในคำสอนได้บรรลุวิชาสามได้ทำตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วกำจัดความเพลิดเพลินในการมทั้งปวงทำลายกองแห่งความมืดได้แล้ว มารผู้ชั่วชาเลวซามท่านจงรู้อย่างนี้ว่าท่านถูกเรากำจัดแล้วอธกนิบาตจบ 9. นวกานิบาต 1. วัฒมาตุเทรีคาถาภาษิตของพระวัฒมาตาเทรีพระวัฒมาตาเทรีเมื่อจะกล่าวตักเตือนพระวัฒเทระจึงได้กล่าวภาษิตเหล่านี้ว่าลูกวัฒ กิเลสดูดหมูไม้ในป่าในโลกย่าได้มีแก่พ่อไม่ว่าในการไหนๆเลยลูกเอย๋ยลูกย่าได้เป็นผู้มีความทุกข์ร่ำไปเลยลูกวัฏทะพระมุนีทั้งหลายไม่หวั่นไหวตัดความสงสัยเสียได้เป็นผู้เย็นถึงความฝึกฝนแล้วเป็นผู้ไม่มีอาสวะอยู่อย่างสบายลูกวัฏทะพ่อพึ่งพ่อผูนมักซึ่งเป็นทางที่ท่านผู้สแสวงหาคุณเหล่านั้นประพฤติกันมาแล้ว เพื่อบรรลุญาณทัศนะเพื่อทำที่สุดทุกข์พระวัฏฐเทระกล่าวตอบด้วยภาษิดนี้ว่าโย ม, มารดาบังเกิดกล่าวโยมกล้ากล่าวคาถานี้แก่ลูกโย ม, มาร ด, มมดาลูกเข้าใจว่ากิเลส ด, ดุดมูไม้ในป่าของโย ม, มารดาคงไม่มีแน่ละพระเทเรียกล่าวภาษิดเหล่านี้ว่าลูกวัฏฐสังขารอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งเลวประณีตและปานกลาง ดิเลสดูดหมูไม้ในป่าในสังคารเหล่านั้นของโยมแม่อนูหนึ่งก็ดีขนาดอนูหนึ่งก็ดีไม่มีเลยเมื่อโยมแม่ไม่ประมาทเพ่งอยู่อาสวะหมดสิ้นแล้วโยมแม่บรรลุวิชาสามได้ทำตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วพระเถระเมื่อจะพยากรณ์พระอรหัต์ได้กล่าวภาษิตเหล่านี้ว่าโยมมารดาได้มอบประตัก คือโอวาดอันโอลานแก่เราเนอโยมมารดาของเราได้กล่าวภาษิตที่ประกอบด้วยประโยชน์อย่างยิ่งเหมือนมารดาผู้อนุเคราะห์อื่นๆลูกฟังคําพร่ำสอนของโยมมารดาบังเกิดกล่าวนั้นแล้วถึงความสลดใจในธรรมเพื่อบรรลุธรรมที่ปลอบปร่งจากโยคักิเลสเรานั้นถูกโยมมารดาเตือนอยู่มีใจเด็ดเดี่ยวด้วยการบําเพ็ญเพียรไม่เกียร์คร้านทั้งกลางวันและกลางคืน ได้สัมผัสความสงบอย่างยอดเยี่ยมแล้วนวกานิบาตจบ 10. เอกาทศกานิบาต 1. ยิสาโคตมีเทรีคาถา ภาษิตของพระกีสาโคตมีเทรีพระกีสาโคตมีเทรีได้กล่าวภาษิตเหล่านี้ว่าพระมุนีกล่าวสรรเสริญความเป็นผู้มีกัลยาณมิตรไว้เฉพาะชาวโลกว่าผู้คบกัลยาณมิตรถึงแม้จะเป็นผ่านก็จะพึงเป็นบัณฑิตได้บ้างศาสตร์บุรุษเป็นคนที่ควรครบผู้คบศาสตร์บุรุษปัญญาย่อมเจริญได้แน่นอนผู้คบศาสตร์บุรุษพึงพ้นจากทุกข์ทั้งมวลได้ และพึงรู้แจ้งอริยสัจสี่คือทุกหนึ่งเหตุที่เกิดทุกหนึ่งความดับทุกหนึ่งอริยมรรคมีองค์แปดหนึ่งยักษินีกล่าวว่าพระผู้มีพระภาคเป็นเสราีผู้ทรงฝึกคนที่ควรฝึกตรัสว่าความเป็นหญิงเป็นทุกขเพราะแม้ความเป็นหญิงมีสามีร่วมกันก็เป็นทุกข์หญิงบางคนคลอดครั้งเดียวอดกลั้นความทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะการคลอดบุตรไม่ไหว จึงเชิดคอตนเองเสียก็มีบางพวกมีร่างกายอ่อนแอทนความลำบากไม่ได้กินยาพิเียก็มีเด็กอยู่ในคันและมารดาผู้มีคันย่อมประสบความย่อด ย, ยับทั้งสองคนก็มีพระประตาจาราเถรีกล่าวว่าเราเวลามีคันแก่ใกล้คลอดเดินทางไปยังไม่ทันถึงเรือนตนก็คลอดบุตรที่ระหว่างทางพบสามีตายบุตรทั้งสองก็ตาย สามีก็ตายเสียที่ระหว่างทางมานดาบิดาและพี่ชายของเราผู้กำพร้าถูกเผาอยู่บนเชิงตะกรเดียวกันพระคีสาโคตมีเทรีกล่าวว่าเจ้าเมื่อสิ้นตระกูลแล้วตกเป็นคนกำพร้าสวยทุกขาประมาณไม่ได้ก็แลน้ําตาของเจ้าไหลตลอดมาหลายพันชาติเราเห็นเจ้าและเนื้อบุตรของเจ้าถูกสุ น, นัขเป็นต้นกัดกินที่ถ้ำกลางป่าช้า เราพร้อมกับสามีมีตระกูลฉีบหายแล้วถูกชนทั้งปวงติเตียนแล้วได้บรรลุอมาตะธรรมอริยมัคมีองค์8ดเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงอมาตะธรรมเราได้เจริญแล้วแม้นิพานเราก็ทำให้แจ้งแล้วเราได้พบกระจกคือธรรมแล้วตัดลูกศรเสียได้ปลงภาระได้แล้วกระทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้ว อิสาโคตมีเถรีผู้มีจิตหลุดพ้นดีแล้วได้กล่าวเนื้อความนี้ไว้เอากาทัศกนิบาตจบ 11. ทวาทัศกนิบาต 1. อุปลวัรณาเถรีคาถาภาษิตของพระอุบลวันนาเถรีพระอุบลวรรณาเทรีอาศัยภาสิตที่โยมารดาของพระอังคาตีริยาเถระกล่าว จึงได้กล่าวภาษีนี้ว่าเราสองคนคือมารดาและธิดามีสามีร่วมกันเรานั้นได้มีความสลดใจขนพองสยองกล้าวยังไม่เคยมีหน้าติเตียนนะักกรามทั้งหลายไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นมีหนามากที่เราสองคนคือมารดาและธิดาเป็นพัญญาร่วมกันเรานั้นเห็นโทษในกรมทั้งหลายเห็นการออกจากกรรมโดยความปลอดปโปรง่ง จึงออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิตในกรุงราชครึกพระอุบลว น, นาเถรีได้กล่าวภาษิตเหล่านี้ว่าเราละลึกชาติก่อนได้ทิพจักขุเจโตปริยญาณและโสตธาตุเราชำระให้หมดจดแล้วแมริทเราก็ทำให้แจ้งแล้วเราบรรลุความสิ้นอาสวะแล้วทําอภิญยาหกให้แจ้งแล้วได้ทำตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว เราเนรมิต ร, รถทีมด้วยมาสี่ตัวด้วยริดมาถวายอภิวาสพระยุ ค, คลบาทของพระพุทธเจ้าผู้เป็นที่พึ่งของโลกทรงพระสิริแล้วยืนอยู่ณที่สมควรมานเห็นพระเทรีนั่งอยู่ที่พักกลางวันได้กล่าวภาษิสนี้ว่าท่านเข้าไปใกล้ต้นไม้ที่มีดอกบานสะพรั่งถึงยอดยืนอยู่แต่ผู้เดียวที่โคนต้นไม้และแม้เพื่อนรายของท่านก็ไม่มี ท่านไม่กลัวความสามหาวของพวกนักเลงเจ้าชู้หรือพระอุบลวานาเถรีเมื่อจะคุกคามมานจึงได้กล่าวภาษิตเหล่านี้ว่าต่อให้นักเลงเจ้าชู้ตั้งแสนคนเช่นนี้ห้อมล้อมแม้เพียงขนของเราก็ไม่พึงหวั่นไหวไม่สะเทือนมานท่านผู้เดียวจะทำอะไรเราได้เรานั้นหายตัวก็ได้เข้าท้องท่านก็ได้ยืนอยู่ระหว่างคิ้วของท่านก็ได้ เรายือนอยู่ท่านก็มองไม่เห็นเรามีจิตเชี่ยวชาญอบรมอิทิบาตดีแล้วเราทำอภิญยาหกให้แจ้งแล้วได้ทำตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วกรมทั้งหลายเปรียบด้วยหอกและเหลาเป็นเขียงรองสับขันทั้งหลายบาัดนี้เราไม่มีความยินดีในกรรมที่ท่านพูดถึงกําจัดความเพลิดเพลินในการมทั้งปวงได้แล้วทาลายกองแห่งความมืดได้แล้ว มานผู้ชั่วช้าเหลวทรามท่านจงรู้อย่างนี้ว่าท่านถูกเรากำจัดแล้วทว่าทศ ก, กะนิบาทจบ12โซลส ก, กะนิบาศ1ปุนาเทรีคาถาภาษิตของพระปุนาเทรีพระปุนาเทรีเดียกล่าวภาษิตเหล่านี้ว่าเราเป็นคนตักน้ำกลัวต่อภัยคืออาชญาของนาย ถูกภัยคือวาจาและโทสะของนายบีบคั้นแล้วจึงลงตักน้ำเป็นประจำแม่น้าหนาวท่านพรามท่านกลัวอะไรนะจึงลงอาบน้ำเป็นประจำทั้งมีตัวสันเทาประสบความหนาวอย่างหนักพรามกล่าวตอบด้วยภาษิตเหล่านี้ว่าแม่ปุณณาผู้เจริญก็ท่านรู้อยู่ว่าฉันกำลังทำกุศลกรรมอันจะปิดกั้นบาปกรรมที่ตัวได้ก่อไว้ยังจะสอบถามอีก ผู้ใดไม่ว่าแก่หรือหนุ่มก่อบาปกรรมไว้แม้ผู้นั้นย่อมพ้นจากบาปกรรมได้อย่างสิ้นเชิงก็เพราะการอาบน้าพระปุญณาถเรียกลวาวภาษิตเหล่านี้ว่าใครหนอช่างไม่รู้มาบอกความนิเคิลท่านซึ่งไม่รู้ว่าคนจะพ้นจากบาปกรรมได้ก็เพราะการอาบน้ำพวกกบเต่างูจระเข้และสัตว์เหล่าอื่นที่เที่ยวหากินอยู่ในน้าทั้งหมด ก็คงพากันไปสวรรค์แน่แท้คนฆ่าแก่คนฆ่าสุกรชาวประมงพรานเนื้อโจรเพศชาตและคนที่ก่อบาปกรรมอื่นๆแม้เหล่านั้นก็จะพึงพ้นจากบาปกรรมได้เพราะการอาบน้ำถ้าแม่น้ำเหล่านี้จะพึงนาบาปที่ท่านก่อไว้แต่ก่อนไปได้แม่น้ำเหล่านี้ก็จะพึงนำทั้งบุญของท่านไปด้วยท่านก็จะพึงเป็นผู้ห่างจากบุญกรรมนั้นไป ท่านพรามท่านกลัวบาปใดจึงลงอาบน้ำเป็นประจำท่านก็อย่าได้ทาบาปอันนั้นขอความหนาวเย็นอย่าได้ทาลายผิวท่านเลยพรามกล่าวตอบด้วยภาษิตว่าท่านนำฉันผู้เดินทางผิดมาสู่ทางที่พระอริยะเดินแล้วด้วยดีแม่ปุญนาผู้เจริญฉันขอถวายผ้าสาดกสสำหรับสงน้ำนี้แก่ท่านพระปุญนาเทรีได้กล่าวตอบด้วยภาษิตเหล่านี้ว่า ผ้าสาดกจงเป็นของท่านตามเดิมเถิดเราไม่ต้องการผ้าสาดกถ้าท่านกลัวทุกข์ถ้าทุกข์ไม่น่ารักสําหรับท่านท่านก็อย่าได้ก่อกรรมชั่วทั้งในที่แจ้งและในที่ลับถ้าท่านจะทําหรือกําลังทํากรรมชั่วท่านถึงจะเหาะนีไปก็ไม่พ้นจากทุกข์ไปได้เลยถ้าท่านกลัวทุกข์ถ้าทุกข์ไม่น่ารักสําหรับท่านท่านจงถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ผู้คงที่ ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกเถิดจงสมาทานศีลข้อนั้นแหละจะเป็นความหลุดพ้นแก่ท่านพรามกล่าวตอบด้วยภาษิตเหล่านี้ว่าฉันขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ผู้คงที่ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกขอสมาทานศีลข้อนั้นจะเป็นประโยชน์แก่ฉันเมื่อก่อนฉันเป็นเผ่าพันแห่งพระพรหมวันนี้ฉันเป็นพรามจริง ฉันได้วิชาสามมีความสวัสดีจบเวทและเป็นผู้ล้างบาปได้แล้วโซลส ก, กานิบาจบ